บุ๊กทูสามสิบทรที่ร้านอาหารสองอุสตารัขอน้ำแอปเปิลครับ ka, oh so ขอน้ำมะนาวครับ ขอเห л ้าสกัดสกนขอน้ำมะ เ, เ, เขือเทศครับขอเหล้ кашклянку т о м а т н ต г า соку ผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครั บ, ผ ม, รบผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ Я хотела бы б у т บ л บุทิลกุชช к ม г าคุณชอบปลาไหมครับ Ты люб ิชเรบุมคุณชอบเนื้อวัวไหมครับทีลูบิชเยลาวิชินุคุณชอบเนื้อหมูไหมครับทีลูบิชสวินินุผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุดผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับ คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับดดคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครั บ, ดด บ, บรสชาติไม่อร่อ ย, ดด ย, ยอาหารเย็นชืดผมไม่ได้สั่งจานนี้